แนะนำบทอัลมุร์สลับทอัลมุร์สลัเป็นบทมักกียะมีห้าสิบองค์การบทนี้ได้เริ่มต้นด้วยการสาบานต่อบรรดามมลากาที่มีหน้าที่ต่างๆที่จะรับมอบหมายให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของจักรวารโดยยืนยันว่าวันกิม马นั้นเป็นเรื่องจริงและ ว, ว่าการลงโทษและความพินาศนั้นจะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแน่นอน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 บท น, นี้ได้กล่าวถึงบรรดามุหมินผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงและกล่าวถึงสิ่งที่อัลลอ์ทรงจัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งคุณงามความดีและเกียรติยศอย่างมากมายบท น, นี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมเคารพพักดีต่ออัลลอะ์ผู้ทรงเอกรผู้ทรงพิชิตคือการฝ่าฝืนละเมิดและการการะทาความชั่ว โดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอมสสขอสาบานต่อลมที่พัดต่อเนื่องกันขอสาบานต่อลมพายทุที่พัดกระหน่ำอย่างแรงลลขอสาบานต่อมาลาการที่อุ้มเมตผล ขอสาบานต่อมาเลากาที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จขอสาบานต่อมาเลากาที่นำมามอบแก่บรรดานอนาบีอดยการให้เหตุผลและการเตือนสำคับแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เม uh> uh ื่อดวงดาวถูกทำให้อับแสงและเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออกและเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผงและเมื่อบรรดาศาสนาพูดถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนดสำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขาบรรดาศาสนาพูดถูกเลื่อนออกไป สำหรับวันของการตัดส e ินและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันใงการตัดสินคืออะไรความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆดอกหรือ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 เราไม่ได้สร้างเจ้าจากน้ำที่ตดำต้อยอสุจิดอกหรือแล้วเราได้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงมัดลูกจนถึงกำหนดอันแน่นอนดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้วเราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีจริงๆ ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธและเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุลรวมดอกหรือทั้งคนเป็นและคนตาย และในแผ่นดินเราได้ทำให้ภูเขาสูงตร a n ง k a และเราได้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิทลลความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบ่บรรดาผู้ปฏิเสธ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 แท้จริงมันจะพ้นประกายออกมามีขนาดเท่าป้อมประกาศประนึ่ประกายนั้นมันเป็นอูดสีเหลืองเข้ ม, วลลมความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธนี่คือวันที่พวกเขา จะไม่สามารถพูดออกมาได้และจะไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเพื่อแก้ตัวและความอายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธบบรรดาผู้ปฏิเสธนี่คือวันแห่งการตัดสิน เราได้รววมพวกเจ้าไว้กับประชาชาติอุ่นก่อนๆดังนั้นพวกเจ้ามีอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้าเถิดลลความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธนัีน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 เรจนาจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายความพายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธพวกเจ้าจงกินและรื่นรมเพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นพวกอาญากรความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธบัดนี้กล่าวแกว่พวกเขาว่าจงรุ้กัวพวกเขาก็จะไม่รูก้กลัว